บรรดาหัวข้อเหล่านั้นหัวข้อว่าชิ้นเนื้อมีความว่าวันหนึ่งพระโพธิสัตว์ไปสู่สนามเล่นมีเหี่ยวตัวหนึ่งโฉบเอาชิ้นเนื้อแต่เขียงฆ่าสัตว์บินมาทางอากาศเด็กทั้งหลายเห็นเหี่ยวคาบเนื้อบินมาก็ติดตามไปด้วยคิดจะให้เหี่ยวทิ้งชิ้นเนื้อนั้นเด็กเหล่านั้นวิ่งไปข้างโน้นข้างนี้และดูเบื้องบนไปข้างหลังข้างหลังเหี่วนั้น พลาดที่ต่อที่แผ่นหินเป็นต้นย่อมลำบากลำดับนั้นมโหสดบัณฑิตกล่าวกับเด็กเหล่านั้นว่าฉันจะให้เหยื่ยวนั้นทิ้งชิ้นเนื้อเด็กทั้งหลายขอให้ลองดูจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นจงคอยดูมโหสดวิ่งไปด้วยกําลังเร็วดังลมโดยไม่แลดูข้างบนพอเหยียบเงาเหยี่ยวก็ตกมือร้องเสียงดังลั่น ด้วยเดชาุภาพแห่งมหาสัตว์เสียงนั้นดุดเข้าไปก้องในท้องของเหยี่ยวนั้นเหยี่ยวนั้นกลัวก็ทิ้งชิ้นเนื้อพระมหาสัตว์รู้ว่าเหยื่ยวทิ้งชิ้นเนื้อแล้วแลดูเงารับเอาในอากาศไม่ให้ตกพื้นดินมหาชนเห็นการที่มหาสัตว์ ท, ทาดังนั้นเป็นอัศจรรย์จึงบลือโ h ่ร้องตบมือทำเสียงเซ็งแซ่ อมาตทราบประพฤติเหตุนั้นจึงส่งทูตไปทูลพระราชาอีกว่าขอเดชะมะโหสถบัณฑิตยังได้เหี่ยวให้ทิ้งชิ้นเนื้อด้วยอุบายนี้ขอสมมุติเทพจงทรงทราบ ป, ประพฤติเหตุนี้พระราชาทรงสดับดังนั้นจึงตรัสถามเสนกะบัณฑิตว่าท่านเสนกะเราจะนำบัณฑิตมาหรื อ, อยังเสนกะบัณฑิตคิดว่า จำเดิมแต่เวลาที่มโหสถกุมารมาในราชสำนักนี้พวกเราสี่คนจักหมดรัศมีพระราชาจาักไม่ทรงทราบว่าพวกเรามีอยู่ไม่ควรให้นำมโหสถกุมาร น, นั้นมาเพราะความตรณีลาบจึงทูลว่าข้าแต่มหาราชบุคคลไม่ชื่อว่าเป็นบัณฑิตเหตุเพียงเท่านี้ข้อนั้นยังเป็นการเล็กน้อย พระราชาทรงมีพระองค์เป็นกลางจึงส่งทูตนั้นกลับไปด้วยพระราชดำรัสสั่งว่าจงพิจารณามโหสดนั้นในที่นั้นต่อไปหัวข้อว่าโคมีความว่าบุรุษชาวปาจี น, นะยะวัชคามคนหนึ่งคิดว่าเมื่อฝนตกเราจะไถนาจึงซื้อโคแต่บ้านอื่นนำมาให้อยู่ในบ้าน รุ่งขึ้นนำไปสู่ที่มีหญ้าเพื่อให้หากินนั่งอยู่บนหลังโคเหน็ดเหนื่อยก็ลงนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้เลยหลับไปขณะนั้นโจรคนหนึ่งมาพาโคหนีไปบุรุษเจ้าของโคนั้นตื่นขึ้นมาไม่เห็นโคค้นหาโคข้างโน้นข้าง น, น, างนี้เห็นโจรจึงวิ่งไล่ไปโดยเร็วกล่าวว่าแกจะนำโคของข้าไปไหนโจรกล่าวตอบว่า แกพูดอะไรข้าจะนำโคของข้าไปสู่ที่ต้องการมหาชนต่างมาฟังชนทั้งสองวิวาดกันจนแน่นมโหสถบัณฑิตได้ฟังเสียงคนทั้งหลายไปทางประตูศาลาจึงให้เรียกคนทั้งสองมาเห็นกิริยาของคนทั้งสองก็รู้ว่าคนนี้เป็นโจรคนนี้เป็นเจ้าของโคแต่ถึงรู้ก็ถามว่าท่านทั้งสองวิวาดกันเพราะเหตุไร เจ้าของโคกล่าวว่าข้าแต่ไนข้าพเจ้าซื้อโคนี้แต่คนชื่อนี้แต่บ้านโน้นนำมาให้อยู่ในบ้านนำไปสู่ที่มีญาแต่เช้าชายคนนี้พาโคหนีไปเพราะเห็นข้าพเจ้าประมาทในเวลานั้นข้าพเจ้ามองหาข้างโน้นข้างนี้เห็นชายคนนี้จึงติดตามไปจับตัวชาวบ้านโน้นรู้การที่ข้าพเจ้าซื้อโคนี้มา ฝ่ายโจรกล่าวว่าโคนี้เกิดในบ้านของข้าพเจ้าชายนี้พูดปดลำดับนั้นมโหสถบัณฑิตจึงถามชายทั้งสองว่าเราจะวินิจฉัยความของท่านทั้งสองโดยยุติธรรมท่านทั้งสองจะยอมรับในวินิจฉัยหรือเมื่อคนทั้งสองยอมรับว่าจากยอมรับคิดว่าควรจะถือเอาตามใจของมหาชน จึงถามโจรก่อนว่าโคเหล่านี้ท่านให้กินอะไรให้ดื่มอะไรโจรตอบว่าข้าแต่บัณฑิตข้าพเจ้าให้โคดื่มยาคูให้กินงาแป้งและขนมกลมมตดตอนนั้นจึงถามเจ้าของโคเจ้าของโคตอบว่าอาหารมีข้าวยาคูเป็นต้นคนจนอย่างข้าจะได้ที่ไหนมาข้าพเจ้าให้กินหญ้าเท่านั้น มโหสดได้ฟังคำของคนทั้งสองนั้นแล้วจึงให้คนของตนนำถาดมาให้นำใบประยงมาตามในครกขยำด้วยน้ำให้โคดื่มโคก็อาเจียนออกมาเป็นยา่ามโหสดบัณฑิตแสดงแกมหาชนให้เห็นแล้วถามโจรว่าเจ้าเป็นโจรหรือไม่ใช่โจรรับสารภาพว่าเป็นโจรมโหสดบัณฑิตให้โอวาทว่า ถ้าอย่างนั้นจำเดินแต่นี้ไปเจ้าอย่าทำอย่างนี้ปายบริษัทของพระโพธิสัตว์ก็ทุบตีโจร น, นั้นด้วยมือและเท้าทาให้บอบช้ำลำดับนั้นมโหสถบัณฑิตได้กล่าวสอนโจร น, นั้นว่าเจ้าจงเห็นทุกข์ของเจ้านี้ในภพนี้เพียงนี้แต่ในภพหน้าเจ้าจากเสวยทุกข์ใหญ่ในนรกเป็นต้น จำเดิมแต่นี้ไปเจ้าจงละกรรมนี้เสียแล้วให้เบญจศีลแก่โจร น, นั้นอมาทุนประพฤติเหตุนั้นแต่พระราชาตามความเป็นจริงพระราชาตรัสถามเสนกะบัณฑิตว่าท่านอาจารย์เสนกะเราควรนำบัณฑิตนั้นมาหรื อ, อยังเมื่อเสนกะทูลว่าข้าแต่มหาราช คดีเรื่องโคใครๆก็วินิจฉัยได้บุคคลไม่ชื่อว่าเป็นบัณฑิตด้วยเหตุเพียงเท่านี้ขอให้ทรงรอไปก่อนพระราชาทรงวางพระองค์เป็นกลางจึงส่งข่าวไปอย่างนั้นอีกนักปราดพึงทราบวิธีประกอบทั้งปวงอย่างนี้ก็เบื้องหน้าแต่นี้จักจำแนกเพียงหัวข้อเรื่องเท่านั้นแสดง หัวข้อว่าเครื่องประดับทำเป็นปล้องๆมีความว่ายังมีหญิงเข็นใจคนหนึ่งเปลื่องเครื่องประดับทำเป็นปล้องถักด้วยได้สีต่างๆจากคอวางไว้บนผ้าสาดบลงสู่สะโบกคารณีที่มโหสถบัณฑิตให้ทำไว้เพื่ออาบน้ำหญิงรุ่นสาวคนหนึ่งเห็นเครื่องประดับนั้นเกิดความโลภหยิบเครื่องประดับขึ้นชมว่า เครื่องประดับนี้งามเหลือเกินเธอทำราคาเท่าไรแม้ฉันก็จักทำรูปเหล่านี้ตามควรแกศิลปะของตนกล่าวชงชนีแล้วประดับที่คอตนแล้วกล่าวว่าฉันจะพิจารณาประมาณของเครื่องประดับนั้นก่อนหญิงเจ้าของกล่าวว่าจงพิจารณาดูเถิดเพราะหญิงเจ้าของเป็นคนมีจิตซื่อตรง หญิงรุ่นสาวประดับที่คอตนแล้วหลีกไปฝ่ายหญิงเจ้าของเห็นดังนั้นก็รีบขึ้นจากสะโบคารณีนุ่งผ้าสาดกแล้ววิ่งตามไปยึดผ้าไว้กล่าวว่าเอ็งจะถือเอาเครื่องประดับของข้าหนีไปไหนฝ่ายหญิงขโมยกล่าวตอบว่าข้าไม่ได้เอาของของแกเครื่องประดับคอของข้าต่างหากมาหาชนชุมนุมฟังวิวาทกัน ฝายมโหสดบัณดิตเล่นอยู่กับพวกเด็กๆได้ฟังเสียงหญิงสองคนนั้นทะเลาะกันไปทางประตูศาลาถามว่านั่นเสียงอะไรได้ฟังเหตุที่หญิงสองคนทะเลาะกันแล้วจึงให้เรียกเข้ามาแม้รู้อยู่โดยอาการว่าหญิงนี้เป็นขโมยหญิงนี้มิใช่ขโมยก็ถามเนื้อความนั้นแล้วกล่าวว่า เธอทั้งสองจักยอมรับในวินิจฉัยของข้าหรือเมื่อหญิงทั้งสองรับว่าจักยอมรับในวินิจฉัยจึงถามหญิงขโมยก่อนว่าเธอยอมเครื่องประดับนี้ด้วยของหอมอะไรหญิงขโมยตอบว่าข้าพเจ้ายอมด้วยของหอมทุกอย่างของหอมที่ทำประกอบด้วยของหอมทั้งปวงชื่อว่าของหอมทุกอย่าง ลำดับนั้นมโหสถบัณฑิตจึงถามหญิงเจ้าของนางตอบว่าเพราะข้าพเจ้าเป็นคนเข็นใจของหอมทุกอย่างจะมีแต่ไหนข้าพเจ้ายอมด้วยของหอมคือดอกประยงเท่านั้นเป็นนิดมโหสถบัณฑิตให้คนของตนกำหนดคำของหญิงทั้งสองนั้นไว้แล้วให้นำภาชนะน้ำมาแช่เครื่องประดับนั้นในภาชนะน้ำนั้น ให้เรียกคนรู้จักกลิ่นมาสั่งว่าท่านจงดมเครื่องประดับนั้นจะเป็นกลิ่นอะไรคนรู้จักกลิ่นดมเครื่องประดับนั้นแล้วก็รู้ว่ากลิ่นดอกประยงจึงกล่าวคาถานี้ในเอกนิบาตว่าของหอมทุกอย่างไม่มีมีแต่กลิ่นดอกประยงล้วนหญิงนักเลงคือหญิงขโมยกล่าวคําเท็จหญิงแก่คือหญิงเจ้าของกล่าวคาจริง บรรดาคําเหล่านั้นคําว่าหญิงนักเลงได้แก่หญิงหัวขโมยคําว่ากล่าวได้แก่กล่าวแล้วอีกอย่างหนึ่งปาทะก็อย่างนี้เหมือนกันลำดับนั้นพระมหาสัตว์ยังมหาชนให้รู้เหตุการณ์นั้นแล้วถามว่าเธอเป็นขโมยหรือแล้วให้สารภาพว่าเป็นขโมย จำเดิมแต่นั้นความที่พระมหาสัตว์เป็นบัณฑิตก็ปรากฏแก่มหาชน